การเข้ามาศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทางว่าไม่ได้ได้ยินได้ฟังไม่มีการแนะนำสั่งสอนกันพวกเราจะรู้กฎระเบียบรู้หลักพระธรรมวินัยรู้แนวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือหลักปฏิบัติจิตตภาวนาตามขั้นตอนนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้น ต้องอาศัยการได้ยินหลายครั้งต่อหลายหนฟังครั้งนี้ได้ความรู้ในแนวความคิดอย่างหนึ่งแต่ฟังครั้งต่อไปก็ลึกซึ้งลงไปอีกหรือเข้าใจชัดขึ้นกว่าแต่ก่อ น, นยอย่างนี้เพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนเรี่ยเรื่อมในการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ ท่านบอกว่าอ น, นิสงแห่งการฟังธรรมอย่างอั น, นสงแห่งการฟังธรรมอย่าง 1. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น 3. บรนเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้5ขณะฟังจิตผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสคือขณะที่ฟังเราฟังด้วยความตั้งใจเราไม่ต้องฟังจากเสียงเทศของผมหรือการพูดของผมท่านเอาสติจับอยู่ที่ลมหายใจของท่านจับอยู่ในความรู้สึกของท่านดูที่จิตของท่านไม่ให ท่านทรงออกมาข้างนอกถ้าฟังเทศอย่างนั้นไปว่าจะเข้าใจได้ง่ายในขณะที่ฟังจิตของท่าน ก, ก็จะเข้าสู่ความสงบจิตจะได้รับความผ่องใสในขณะที่ฟังในอเนกสงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังคือฟังครั้งนี้นก็ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งฟังครั้งหน้าอีกได้รับความรู้อีกอย่างหนึ่งหลายครั้งตอหลายน แต่บางสิ่งบางอย่างก็ฟังแบบซ้ำกันอีบ้างแต่เมื่อซ้ำก็เถอะแต่ยังเรายังสงสัยบางประเด็นมันก็ชัดขึ้นในจิตใจเพราะฉนั้นถ้าอย่างว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจสิ่งนั้นก็เข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นพร้อมกันก็เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็บันเทาความสงสัยเหบางสิ่งบางอย่างเราสงสัย แตเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วความสงสัยนะั่นก็หายไปตกไปถึงจะไม่ตกทั้งหมดก็หมดไปในระดับหนึ่งทุกคนพวกเราเนี่ยถ้ายังไม่หมดกิเลสตราบใดความสงสัยก็อยู่ในจิตใจของพวกเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยอยีเพราะงั้นเถอะจนกว่าเราจะได้รันุธรรมเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นความสงสัยในจิตในใจของเราก็จะตกขาดออกไปแต่ถ้าว่าเรา ยังไม่ถึงขั้นนั้นความสงสัยในใจของเรานั้นผมมั่นใจว่ามันต้องมีอยู่ติดอยู่จุดใดจุดหนึ่งแต่ถึงยังไงจะพูดว่าผมไม่ได้สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะพูดอย่างนั้นได้แต่มันมีหลายประเด็นเหลือเกินที่พวกเราจะต้องทำความสงสัยมันมีความสงสัยในหลายประเด็นเหลือเกินใช่เรื่องของพระพุทธเจ้า สอนว่าศินห้ามีคุณค่านะอันนี้เราไม่สงสัยแต่ส่วนลึกเข้าไปนั้นกว่านั้นอีกอทำที่จะชําระ ก, กิเลสออกจา ก, กจิตใจนั้นมันมีหลายแง่มุมละเกินเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีความสงสัยเสยเลยผมคิดว่าเราคงจะพูดแบบกาควมแต่ต้องความสงสัยผมสงสัยมันก็ดูดูมันกระไลยอยู่คือสงสัยในสิ่ง ประเด็นหลักนั้นเราไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากาตธรรมจริง ffee. พระสงฆ์สา ว, วกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในบรรลุมรรคผลจริงเป็นอริยะสงฆ์อันนี้จุดนั้นเราไม่ได้สงสัยแต่สงสัยที่พระธรรมคาสั่งสอนบางจุดบางประเด็น ที่เรายังปฏิบัติไม่ถึงเหมือนกับเราสงสัยแผนที่อย่างนั้นน่ะไอ้แผนทีน่นไปยังไงแต่ถ้าเราเดินตามแผนที่ถึงจุดหมายปลายทางหลายครั้งหลายหนไปตามแผนที่ไปที่ไหนก็ถูกต้องทุกครั้งอันนี้เราก็หมดความสงสัยถ้าเรายังไม่ได้เดินตามแผนที่แล้วเราจะว่าไม่สงสัยเลยผมว่าก็คงจะไม่ถึงอย่างนั้นเพราะนั้น บรรเทาความสงสัยเสียได้คือบรรเทาไม่ใช่ว่าตัดความสงสัยเสียได้ก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่พพทานก็ไม่ได้วาอย่างนั้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังเปรียบเทียบด้วยหลักเหตุผลแล้วเราก็เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลที่เราได้ศึกษาทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตได้รับความเยือก เ, เย็น ได้รับความผ่องใสอันนี้ก็คืออันในสงแห่งการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาสั่งสอนพวกเราแต่นี้มาพูดถึงการได้ยินได้ฟังอีกในหลักะของพระบาลีท่านว่าสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้รับการศึกษา จากครูบาอาจารย์จากเทพจากหนังสือไม่ได้ยินได้ฟังเราจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้อันนั้นก็มองไม่เห็น ห, หนทางอีกเหมือนกันเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งแต่ละหนก็เป็นการชี้แนะชีน้นาเป็นการบอกหนทางให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นทอดทอดมาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถึงพวกเราท่านทั้งหลายก็อาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นทอดทอดกันมา อันนี้แปลว่าสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการหรือว่าการทบทวนเมื่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเอานํามาคบคิดพิจรารณาไตรตรองเหตุและผลให้เข้าว่าจินตนาการในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนั้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทําไมจึงเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ ไตรตรองเหตุละผลที่ได้ยินได้ฟังมาจ้ะว่าจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังมาแล้วอันดับแรกสุตตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอันที่สองว่าจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการไข้ควรทบทวนหาเหตุละผลในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นอันที่สเนี่ยภาวนามยะปัญญา ภาวนาเมยปัญญาเนี่ยเป็นหลักของพระพุทธศาสนาโดยตรงอาศัยการภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งซะก่อนให้จิตนิ่งซะก่อนแล้วนํามาพิจารณาแล้วจะเห็นชัดเจนเหมือนกับคนวิ่งจิตมันวิ่งและจิตเหมือนกับคนอยู่จิตอยู่หรือเหมือนกับคนยืนเหมือนคนยืนจะมองเห็นสิ่ง ต่างๆได้ชัดกว่าคนวิ่งอันนี้ก็คือภาวนามย์ปัญญาภาวนาคือทําจิตให้สงบซะก่อนแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญามิปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ก็เนี่ยภาวนามย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตให้สงบแล้วก็นํามาพิจารณาอันนี้ก็คือหลักที่พระพุทธศาสนาส่วนสุดตมย์ปัญญา และก็จินตามยปัญญาอันนั้นเป็นเรื่องของทางโลกแต่ส่วนภาวนามยปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติธรรมะนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ห้ังจากนั้นก็ไตรตรองเหตุและผลใช้ปัญญาพิจารณาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเรา ท่านก็ไ ม, ม่ได้พูดอะไรออกไปไม่ใช่หรอท่านให้เชื่อทั้งหมดพระพุทธเจ้าสอนถึงการลามชนการลามาสูตรอย่างนี้นอย่าเชื่อตามนั้นนๆ้นนนนนมีหลายอย่างบางคำท่านก็ถามภาษาลิบุตรสาราบุตรเธอเชื่อไหมที่เราพูดไปเนี่ยภาษาริบุตรบอกว่ายังกระผมกระผมยังไม่เชื่อเพราะยังไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติซะก่อน นกว่าข้าพระองค์จะนำไปประพฤติปฏิบัติทดลองด้วยว่าพระพุทธองค์พูดอย่างนี้นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลขึ้นมาข้าพระองค์จึงจะเชื่อนะอันนี้ก็พระุทธองค์ไม่ให้ว่าพูดให้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นการที่พวกเราได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งก็ให้นำไปคิดไปพิจารณาด้วยเหตุและผลอันดับแรก ก่อนที่จะเชื่อสิ่งไหนลงไปในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้อะไรเนี่ยอันนี้แหละผมว่าเป็นหลักจุดยืนเป็นจุดเบื้องต้นจริงๆที่พระพุทธเจ้าไปได้บรรลุธรรมที่โคนต้นโพนั่นแหละจุดนี้จะเป็นจุดที่จุดสนวนและจุดคุญแจดอกแรกสําหรับที่จะให้พวกเราได้ศึกษาความเชื่อหรือไม่เชื่อ อยู่ในจุดนี้ถ้าว่าจุดนี้ยังไม่เป็นไปแล้วจุดอื่นที่เราจะรู้แจงเห็นจริงนั้นมันก็ยังคุมเคืออยู่แต่ถ้าว่าจุดนี้เพราะพระพุทธองค์บอกว่าทำจิตให้สงบซสก่อนทำจิตให้เป็นหนึ่งก่อนการวิธีทำจิตให้สงบนั้นทาอย่างไรพระพุทธองค์ก็บอกวิธีการทั้งหมดคือกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก คือบังคับให้มีสติอยู่กับตัวเองเยกย่อนที่พุทธองค์จะได้ตัดจรู้ธรรมพุทธองค์ทดลองอยู่ทั้งหปีท่านไม่ได้คิดถึงการบ้านการเมืองไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งหมดมีแต่ศึกษากระศึกษาตามแนวแถวทางด้านจิตใจไปศึกษากระดาบาราบทุตระกาดาบทอย่างนีน้หรือว่าในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธองค์ท่านก็คงจะศึกษาไม่ใช่น้อยเหมือนกันผมว่านะ แต่ท่านจะเขียนในตำราหรือไม่ได้เขียนเท่า น, นเองแต่ท่านศึกษาจนพอตัวของท่านนะจนถึงเป็นที่มั่นใจจากนั้นท่านพบองค์ก่อนตั้งสติเพราะพระพุทธองค์ก็พร้อมอยู่แล้วเนี่ยอย่าพร้อมที่จะเป็นผู้ศึกษาอยู่แล้วท่านก็กาหนดลมหายใจเข้าออกในวันเดือนหกแผ่นมีสติกับลมหายใจเข้าออกนานนเะพระาะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่เข้ามาศึกษา ผมมองไม่เห็นอย่างอื่นที่พวกเราจะปล่อยปะละเลยปล่อยจิตปล่อยใจแล้วพวกท่านจะเข้าสู่ความสงบเย็นอกเย็นใจมองไม่เห็นทางเพราะฉะนั้นต้องพวกเราตรงยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติมาคือกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติท่านได้รับมรรคผลจากนั้นท่านก็มาแนะนําสั่งสอนพวกเรา เพราะนั้นพวกเราให้ยึดตามแนวแถวนี้สติเป็นสิ่งที่จาเป็นและสำคัญมาในอันดับหนึ่งในการที่จะบำเพ็ญทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถึงจะอยู่ณสถานที่ใดถิ่นใดขณะใ ด, ดก็อย่าพูดคุยกันจนเกินไปนะพยายามอยู่ในความสงบลีเล้นตามลำพังจากนั้นก็ดู ความเคลื่อนไหวของใจเราเราคิดเรื่องอะไรมันออกไปทางไหนแต่ละวันถ้าว่าเราเห็นลมหายใจเข้าออกเมื่อเราเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะนึกถึงใจตัวผู้รู้ของเราเราคิดเรื่องอะไรเราก็จะเริ่มเห็นความคิดของตนเองทีละน้อยละน้อยจนเห็นชัดว่าเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เพราะนั้นให้ปฏิบัติตามแนวแถวที่ พ่อพุทธิย่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเรานะ mm hmm. เรื่องจิตภาวนาในเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเ mm hmm. มือ่อจิตเข้าสู่ความสงบพอประมาณพอเป็นแนวทางแล้วเรามาพิจารณาทางด้านปัญญาด้านปัญญาคือวิปัสสนาวิปัสสนาถ้าจะว่าไปเลยก็คือวิปัสสนึกนึกคิดเดานะเหมือนเราคิดตัวเลขอย่างนั้น คิดไปคิดมาคิดมาคิดไปแต่บางครั้งมันก็ผิดพลาดบางครั้งมันก็ถูกเพราะมันถูกรู้จักแนวทางแล้วนี้เราก็จะเห็นได้อันไหนมันถูกมันถูกเข้าไปมันก็ใจของเราก็จะได้รับความเย็นสบายมีความสาุขอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาทางวิปัสสนาแล้วใจของเรามันก็จะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของเรา เราจะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงใจก็ถอดถอนกิเลสแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยเพราะนั้นมันเป็นตามขั้นตอนตั้งแต่สินการเป็นอยู่สมาธิความตั้งใจมั่นยึดลมหายใจเข้าออกจิตใจเป็นหนึ่งปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขาร เห็นตัวเองเห็นร่างกายเห็นสังขารเห็นความนึกคิดเห็นจิตเหตุใจของเรานี่แหละในเมื่อเห็นจุดนี้แล้วก็ถ้าไม่ปล่อยวางจะไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรอันนี้ก็คือธรรมมัจตามขั้นตอนสูงสุดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาถึงพวกเราจะไม่ได้สําเร็จมัจผลหรือว่าไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็อยากจะให้รู้เอาไว้ว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ย ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่าพระดงอย่างพวกเราท่านหายเข้ามาศึกษาเนี่ยท่านศึกษาเรื่องอะไรอย่างไรทำาไมเงี้ยพวกเราให้รู้แนวทางเอาไว้แต่สำหรับพวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่เข้ามามวชพวกเราก็มีความมุ่งหวังในระดับหนึ่งคืออยากจะเอาหลักธรรมะเข้ามาเป็นแสงสว่างเป็นเครื่อง พาเดินนำชีวิตของเราไปสู่ความสุขอันนี้ก็คือจุดหมายปลายทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนหรือ ว, ว่าสถานที่การศึกษาของเราท่านก็อยากจะให้พวกเราเข้ามาศึกษาจะได้นำทำคำทั้งสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุข ถ้าว่าคนเราไม่มีธรรมะไม่มีเครื่องพานําพาไปสู่พาเดินแล้วพวกเราไม่รู้จะเดินยังไงเดินตามกิเลสมีแต่ความโลภส่งเสริมไปถาลายความโลภมันก็ยิงโลภความโกรธมันก็ยิ่งโกรธความหลงมันก็ยิ่งหลงไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไฟทั้งหลายไม่อิ่มด้วยเชือ้อถ้าความโลภเพียงนี้ ถ้าเราไม่หักข้ามเราเพิ่มความโลภเข้าไปความโลภยิ่งทวีคูณความโกรธก็เหมือนกันยิ่งส่งเสริมเข้าไปความโกรธก็ยิ่งทวีคูณเพราะเหตุไรเพราะมันหลงถ้ามันหลงแล้วมันจะโลภมันจะโกรธถ้ามันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันไม่รู้จะโกรธไปทำไมไม่รู้จะโลภไปทาไมไม่รู้จะหลงไปทำไมไม่รู้จะรักไปทาไมเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ก็ อยากจะนรทมคำสั่งสอนในหลักของพระพุทธศาสนาเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของพวกเรานะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเพื่อจะพูดไปแล้วก็เหมือนกับสินค้าอยู่ในห้างซัพ ป, ปสินค้าเราจะเลือกเอาประเภทไหนประเภทราคาสูงประเภทราคาถูกเราจะปฏิบัติอย่างไรงถ้าจะปฏิบัติอย่างที่จะเอาพ้นทุก ในวัฏฏะสงสารเราก็เป็นต้องศึกว่างั้นเราเป็นนักปวชนักพจน์พยายามทำปฏิบัติให้ได้อย่างนี้นก็มีช่องทางที่จะไปได้แต่ถ้าเมื่อเราเข้ามาศึกษาแล้วเราจะขอนําพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราแลเราก็เลือกเอาสินค้าที่ไม่แพงมากว่างั้นเอาไปใช้อย่างนีน้หรือว่าสินค้าที่เราจะเอาไป ใช้แบบราคาถูกๆก็มีนะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามเราต้องคาดหวังเอาไวนะ้คาดหวังสูงเอาไว้แต่ถ้าว่าเราค า, าดหวังต่ำนะมันจะจริงจะตกต่ำนะเพรา ะ, ะนั้นเราต้องคาดหวังให้สูงเอาไว้ถ้าเผื่อเอาไวนะ้เาะงั้นเหมือนกับเราว่ายน้ำที่มันไหลเชี่ยวแรงๆนะแนตะ่เราจะไปมุ่งหวังเอาตรงนั้นละอย่างนี้ เราก็ออกไปตรงนั้นเพื่อจะให้ถึงจุดเอาตรงๆไปเลยมันคงไปไม่ได้เราก็ต้องกระโดดเหนือน้ําสูงๆพอสมควรเผื่อน้ําซัดลงไปก็ไปถูกจังหวะที่เราต้องการพอดีอันนี้ก็เหมือนกันนัะนะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาเราจะเอาแบบธรรมดาไม่ได้ต้องเผื่ออาไว้เผื่อเอาไว้ออไวบ้างเผื่อน่าจะพอดีเพราะงั้นเนี่ย พอเหมาะพอดีกับจุดประสงค์ที่เราต้องการเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะพวกนิสิตรพระลูกพระหลานทั้งหลายเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ก็ให้ตั้ง อ, อกตั้งใจไขควรทบทวนทั้งปฏิบัติด้วยทั้งดูหลักรำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยทั้งเทปทั้งหนังสือให้ศึกษา พอพระทําคําสั่งสอนครูบาอาจารย์แต่ละอย่างเราครั้งนี้เรามาบวชมีโอกาสอย่างมากมีโอกาสอย่างมากอย่างเต็มที่จิตต้องศึกษาหลักธรรมะเพราะหลักธรรมะนี่ถ้าว่าเราศึกษาได้แล้วเราศึกษาดีแล้วเราเข้าใจแล้วอย่างน้อยก็นํามาปรับปรุงแก้ไขการกระทําของเรากายวาจาใจของเราก็จะ ไปในทางที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมถูกกะโลกสมมุติในระดับไหนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าว่าคนมีธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วเข้าสู่ชุมชนสังคมใดชุมชนสังคมนั้นก็ไม่ปฏิเสธยอมรับแต่ถ้าว่าเราขาดศีลธรรมมากๆไม่ได้มีไม่มีธรรมะเข้าสู่จิตใจเลยเนียอันนั้นก็ทำให้ คนที่คบค้าสมาคมกับเราก็ก็ระแวงแครงใจคือบางสิ่งบางอย่างบางทีเราก็ไม่เจตนานะแต่เราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้นะ่นะมันจะเป็นช่องทางของกิเลสนะความโลภโกรธหลงของเรามันจะวิ่งไปจุดนั้นแต่ถา้าเรามีธรรมะในจิตใจมีฮิติคือความละอายแก่ใจอุปัปาคือความกลัวต่อบาปจากนั้นก็ รู้เรื่องศีลธรรมนำประพฤติปฏิบัติผมว่าความสงบพรมเย็นเป็นสุขจะเข้ามาสู่ตัวของเรานะเป็นอันดับแรกต่อ น, นั้นก็เข้าสู่ชุมชนและสังคมที่เราศึกษาอยู่หรือเราปฏิบัติกับคู่คนที่มาเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ใกล้ชิดเราสามีภรรยาพ่อแม่วงศานายาตมิตรสหายที่อยู่ใกล้ชิดเรา ต่อไปก็นั่นแหะถ้าเราทําดีเลยประเทศชาติบ้านเมืองก็พลอยร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยเพราะว่าเราเป็นคนดีนคนดีใครๆก็ต้องการทั้งนั้นถ้าว่าเลวแล้วใครๆก็ขยะขยแงงกลัวเหมือนกันนะดันั้นให้พวกเราให้คิดไปอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งในชุมชนและสังคมถ้าเป็นหมอกขาว่าข้าพเจ้าจะเป็นหมอที่ดีคนหนึ่งของชุมชนและสังคม ของพ่อของแม่ของวงศาคณาญาติเราจะเป็นหมอที่ดีคือให้ตั้งใจไปอยู่เสมออย่างนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็พยายามหลีกเล่นสิ่งไหนที่มันจะเกินไปในการของชีพของเราเราก็พยายามว่าอันนี้สิ่งนี้มันไม่เหมาะนะเกินไปนะ อ, อสิ่งนี้มันขาดไปนะอย่างไรถ้าเราใช้หลักธรรมะเข้ามาเป็น แบบฉบับเรือว่าเป็นกระจกเงาในตัวของเราตลอดผมว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดในตัวของเราเป็นอันดับแรกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่ขอพูดอะไรมากไปกว่านี้นอวจากการเตือนย้ำการได้ยินได้ฟังเบื้องต้นอันในสงแห่งการฟังธรรมห้าอย่างจากนั้นก็อาศัยการได้ยินได้ฟัง สุตธรมยปัญญาจินธรมยปัญญาภาวนามยปัญญาจากนั้นก็พูดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติมาพาดําเนินมาเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ทำท่านศึกษาเรื่องอะไรเรื่องพระไทยเรื่องใจของพระองค์ที่ท่านได้ตัดสู้เพราะฉะนั้นพวกเราให้ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันนั้นคืออะไร กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักนะภาวนาแต่อย่าไปคุกคีตีโมงกันเกินไปนะต่างคนต่างอยู่ต่างองค์ต่างอยู่งงยพเราพวกเรามีเวลาน้อยอเราจะไปใช้เวลาในการคุยกันจะมันปรโมดโอกาสการพูดคุยกันทำให้เราส่งจิตออกไปข้างนอกมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายความเรือดร้อนจะเข้ามาสู่ตัวของเรา ถึงยังไงเราก็มีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าเราจะออกวันไหนเมื่อไรอย่างไี้เราไม่ต้องคิดไฟล่วงหน้าหรอกเต่อไปไม่รู้ว่ากี่ปีกีป่ปีเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ในช่วงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะบวชกี่เดือนกี่วันเพราะนั้นอยากจะให้พวกเรามีสิทธิ์นักศึกษาทุกท่านนะตักตวง เอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจศึกษาธรรมะเข้าสู่จิตใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะวันนี้ผมขอพูดจบเพียงเท่านี้ <c oughs> การเดินทางของผมวันนี้ก็หลายหลายหลายกิโลกันเอนะอะเอาขอจบเพียงเทนี้นาไม่ไม่พานั่งภาวนาโดยหนะ้าวันนี้นะผมจะเลิกปะเลิกแล้วนะกลับไปกุฏิยังค่อยมอพวกเพื่อนยังค่อยนั่งภาวนาต่อเนะ้อ